ส่วนในภาษาริบุตรอธิบายไว้ว่าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายคำว่าภัยคำว่าทุกข์คำว่าโรคคำว่าฝีอะนะความคล่องความเป็นสัตว์เปือกตมคำว่าคันคันก็คือท้องอ่ะนะล้วนเป็นชื่อของตามทั้งหลายถามว่าเพราะเหตุไรการมทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับภัยทาไมจึงชื่อว่าภัย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 สิ่งเหล่านี้วัตถุกรมเหล่านี้นํามาซึ่งทุกในปัจจุบันและสัมปรายภพคําว่าทุกขคำว่าโรคคําว่าฝีคำวามติดข้องความเป็นสัตว์เปลือกตมหรือในท้องหรือคันน่ยนะท้องก็คือคันน่ะทำไมจึงชื่อว่ากรรมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์กําหนัดด้วยราคะอันฉันทราคะผูกแล้วย่อมไม่พ้นจากการนอนในคันในปัจจุบันไม่พ้นจากคันในสัมปรายภพ เราถ้าหากว่ายังติดข้องในวัตถุกรรมเราคิดไหมว่าเราจะพ้นจากการเกิดในท้องอีกต่อไปเพราะวัตถุที่เราเกี่ยวข้องมันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินของคนที่เกิดในท้องพอเพราะคลอดมาจากท้องนั่นแหละจึงได้เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งการนอนในครันอีกต่อไปพรหมก็ตรัสเป็นคาถาว่าสัตว์ที่เป็นปุตชชนอย่างลงแล้วด้วยราคะอันน่ายินดีย่อมเข้าถึงความเป็นสัตว์เกิดในครัน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 เรียกว่าทางอะไรถ้าคนขับรถในกลัวทางไหนมากทางเละๆใช่ไหมทางที่มีเปลือกตมก็คือทางเละๆทางที่เต็มไปด้วยคโคลนตมทางแบบนั้นเนี่ยนะรถทั่วไปข้ามง่ายไหมบอกข้ามยากเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ละในอารัมมานูปนิชฌานลักคนูปนิชฌานไม่ละในสมถะและวิปัสสนาก็จะข้ามที่มูสัตว์ยากที่จะข้ามได้นะที่มูสัตว์ผู้ข้ามไม่ได้ก็เข้าถึงชาติและชรา ก็พากันดิ้นรนอยู่ดิ้นรนจนอยู่เรียกว่านั่งนิ่งๆสบายๆอยากเต็มทีเนี่ยนะชีวิตนี้นั่งนิ่งๆสบายๆได้สักกี่ครั้งน้อเนี่ยนะนั่งสบายแบบรั่งหลับสบายจริงๆะนะเหรนี่ยรียว่าไม่มีกังวลนําหน้าล้อมหลังเลยเนี่ยนะแมใครพบหนะ้อนุโมทนาด้วยนะทำบุญอะไรามาเนาะช่างสุขแท้แต่ไม่ใช่โง่ขเขานะหมายความว่าพิจารณารอบครอบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยยิ้มโอ้โล่งใจเลยนะ เราว่าหายใจแบบโล่งใจก็ไม่ใช่เฮือกใหญ่แล้วก็โอ้ยไม่น่าเลยนะนะข้างหน้าข้างหลังนะ้วก็โอ้ยที่ผ่านมาก็แม่เพิ่งอดวิ้มาได้ไอข้างหน้าที่จะมีต่อไปมันอะไรอีกเนาะเหมือนภาวะของคนอยู่ในสงครามถ้าอย่างนั้นก็แม่เฮือกเนี่ยนะครับว่าโอ้ยพอผ่อนคลายไปหน่อยนี่ยเจะไปต่ออีกแล้วเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ จเจริญการุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่นนนนนยนะเพราะมาว่าเชื่อเลยนะว่าถ้าใครเจริญเมตตาเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆยังไงเขาจเจริญอย่างเดียวจเจริญเมตตาให้ตัวเองคืออะไรคือคิดไว้เสมอว่าเราต้องได้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 ขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทุกข์ในปัจจุบันทุกข์จากสัมปรายภพนะทุกข์จากวัตตันนี้เรียกว่าการุณาปรารถนาให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยนะสับพาทุกขาปะมุนจันตุขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์อย่างนั้นนะอันนั้นก็เป็นกรุณาถ้าน้อมนำว่าหวังว่าเราจะต้องประสบความสุขแล้วน้อมนำตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์เขาจะเจริญในพระศาสนาเป็นแน่แต่อย่ารีบอะไรนะรีบอย่าเอาความบางคนเนี่ยเรียกว่า บเอาความสุขที่ไม่ควรจะเป็นความสุขมากินซะก่อนก็เลยเดือดร้อนก็เหมือนเอาบุญที่ควรจะมีในอนาคตม า, มาใช้ในปัจจุบันพอใช้หมดเลยเดือดร้อนเลยฉันอยากได้เป็นอย่างนั้ น, นถ้าเรามีเมตตาหวังดีปรารถนาดีก็เจริญในข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งความสุขเพราะผู้ใดที่กาลังดาเนินอยู่ในปฏิปทาเพื่อเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ถึงเขาจะปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่นั่นเองมาดูพระประเจกกับพะพุทธเจ้าองค์ที่18นะในกรุงพาราณสีพระราชาพระนามว่าสีตาลุกพรหมทัตพระเจ้าสีตาลุกเนี่ยนะเท้าเธอผนวนแล้วก็ประทับอยู่ในกุฏิป่า ครั้นประเทศนั้นหนาวก็มีความหนาวไปอยู่สถานที่ที่มันหนาวเน็บเลยนะหน้าหนาวก็หนาวจัดหน้าร้อนก็ร้อนจัดเพราะั้นเพราะเป็นประเทศตั้งอยู่ในที่โลง่งก ว, ว่าโอ้ไปบวชนะเป็นพระราชาบวชแล้วไปบวชแล้วไปอยู่ในที่ธุระ ก, กันดานมากชนิดที่เรียกว่ากลางวันก็ร้อนระอุ ก, กลางคืนก็หนาวเน็บเนี่ยนะหน้าหนาวก็หนาวอย่างเดียวหน้าร้อนก็ร้อนอย่างเดียว พิษอาจารในโ ค, โ ค, โ ค, โคโจอนคามก็ไม่ได้ตามความปรารถนาะไปบิณธบาติก็ยากยากแม้แต่น้ําดื่มสําหรับผู้จะดื่มก็หาได้ยากเพราะว่าสถานที่ที่พระอยู่บางที่เนี่ยนะไปตักน้ําเป็นกิโลก็มีเนี่ยนะไปกระเต็งกระเต็งกระเตงมาใส่ถังมาเนี่ยนะไกลกว่าจะได้น้ําดื่มมันน้ําดื่มก็หายากลมก็กมากเหลือสัตว์เลื้อยคลานก็เบียดเบียนพระองค์ก็มาคิดว่าในที่ประมาณ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 ย่อมยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตอย่าไปเชื่อใจนะต้องเชื่ออะไรต้องให้ใจในี้เป็นไปตามอำนาจของสมถาวิปัสนาไม่ใช่ให้สมถาวิปัสนาเป็นไปตามใจนะะ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 โอยตั้งอาวุธปู่ของปู่ของปู่มาจนหลานของหลานของหลานต่อไปก็ทํากันอย่างนั้นเลยนะไม่เห็นได้บรรลุอะไรเลยก็ทนทนก็ไม่เห็น่จะไปไหนที่มันดีกว่านั้นชวนบวชจะไปคิดว่าบวชนะไม่เอาหรอกแล้วนะบวชเธอจะได้สบายจเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นบุญเป็นกุศลท่านไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่รอกบอกไม่ได้ไม่ได้ยังไงมันไม่ใช่ของง่ายนะเพราะวัตถุเหล่านี้โดยรวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ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 เบตาณิอภิสัมพิตวาเอโกเจเรฆะวิสาวน ก, กปนบุคคลพึงครอบงำอันตรายเหล่านี้แม้ทั้งปวงครอบงำอันตรายแปลว่าอย่าให้จิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของความหนาวความร้อน ค, ค, ค, ความหิวความกระหายลมแดดเหลือกสัตว์เลื้อคลานคือว่าครอบงำอันตรายก็คืออย่าให้จิตใจหยุดตกใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก นั่นก็รวไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอลักษณะของผู้ที่มีขันติสังวรนั่นเองมีความอดทนเคยจะอยู่ในสภาพใดสถานที่ใดเหตุการณ์เหล่าใดก็ไม่ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่เกินไปจนทิ้งสมถะและวิปัสนาเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นเช่นใดก็ไม่เอาเป็นประมาณเป็นประมาณก็คือมุ่งเจริญสมถะและวิปัสนาเท่านั้น ส่วนพระปัเจกอีกองค์หนึ่งองค์ที่19บอกว่าได้ยินว่าในกรุงพารณสีพระราชาพระองค์หนึ่งเสวยราชาสมบัติเป็นเวลา20ปีแล้วก็สวรรคตหมกไม่อยู่ในนรกตลอด20ปีเหมือนกันคุ้มไหมวันต่อวันเนี่ยนะเป็นพระราชาวันหนึ่งแล้วตกนรกวันหนึ่งเป็นพระราชาสิปีเอ่อยีปีตกนรก20ปีเหมือนกันเนี่ยนะโอ้ก็เรียกอะไรนะสเสวยสุขครึ่งหนึ่งทุกครึ่งหนึ่งอะนะ แต่ว่าไอ้ตอนที่สุขเป็นพระราชา20ปีมันไม่ใช่สุกลุนล้วนใช่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ตกนรก20ปีเนี่ยเผาไฟเผาผลาญลุนล้วนเนี่ยนะยีปีไม่มีสุขขั้นเลยอะแต่วันในนรกไม่มีสุก ข, ขั้นแต่สุขในมนุษย์เป็นพระราชาก็มีความทุกแทรกในระหว่างในระหว่างใช่ไหมเพราะว่าต้องหวาดระแวงเป็นต้นในที่สุดก็มาเกิดเป็นช้างในหิมมวันตระประเทศพ้นมาจากนรกมาเกิดเป็นช้าง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 ไม่อย่างนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นเพียบพร้อมพูนสุกไปด้วยวัตถุเหล่านั้นเอาไปทำอะไรเอาไปทำบุญใช่ไหมเอาไปเว้นจากปาณาติบาตอทินนาทานงดเวน้นจากการเมสุมิชัดจารไปเว้นจากสุราเมไรไปตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมอบทใช่ไหมต้องสมาทานตั้งมั่นไวให้ดีนะ ว, ว่าถ้าไปอยู่ณนะที่ใดตำแหน่งใดอย่างไรต้องเป็นศีลสมาธิวิปัสสนาต้องเป็นไปกับ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 พระนัดดาคือหลานของเราบัดนี้เสวราจสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีและลึกชาติได้ว่าหลานเนี่ยตอนนี้เป็นพระราชาอยู่เอาเถอะเราไปสู่อุทยานแห่งชาติของตนก่อนกลับไปอยู่รูนกลับไปอยู่สวนเราดีกว่าหลานนั้นจักรักษาเราในอุทยานหวังว่ากลับไปจะให้หลานที่เป็นมนุษย์นี่รักษาทั้งโลงช้างก็หลับในกลางคืนท่านก็เลยสลันี้ไปอยู่ในอุทยาน